พระอาจารย์ครับการตั้งพิธีการครับผมเจ้าท่านคุณหมอและท่านผู้ชมทั้งหลายครับครับพระอาจารย์พระอาจารย์แข็งแรงนะครับก็ยังทํรายได้อยูรับผมพระอาจารย์ครับอ่าก็งั้นเริ่มเลยนะครับพระอาจารย์ครับวันนั้นผมเห็นคลิปสั้นๆของพระอาจารย์ครับในเรื่องของสัพเพธรรมานตตาครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสฟังแล้วก็คลิปนั้นรู้สึกว่ามีคนดูไปตั้งสามแสนห้าหมื่นวิวนะครับพระอาจารย์ ก็เลยอยากขอพระอาจารย์เมตตาขยายความคำว่าสัพเพ ธ, ธรรมานาตาให้เพื่อนๆทางนี้ได้ฟังด้วยนะครับอาจารย์ครับกราบอเมตตาครับผมสัพเพธรรมาก็คือหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเพลว่าทั้งหลายทั้งปวงธรรมะหรือธรรมานี่ก็คือสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้ที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกนิ้วกาย ใของพเราเนี่พระพุทธเจ้าส่งคนเพราบว่าไม่มีตัวตน<ะ>เช่นร่างกายของเราเนี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุถ้าเป็นต้นไม้นี่็มีธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แต่มต้นไม้นี้จะมีชีวิตขึ้นมาได้ก็ต้องมีดินมีน้ำแล้วก็มีอากาศคือลมให้ใจแล้วกมวม็มีความร้อนพอสมควรคืออุณหภูมิต้นไม้ก็จะจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เช่นเดียวกับร่างกายของสัตว์และมนุษย์ก็ทำมาจากธาตสี่ดินนะ้าลมไฟเหอกับต้นไม้ต่างกันตรงที่ว่า นอกจากธาตุสี่แล้วร่างกายนี้มีธาตุที่ห้ามาเกาะติดอยู่ด้วยเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นี่ก็คือตัวที่มีความรู้สึกเนึกคิดธาตุรู้นี่มีสี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทําหน้าที่ให้เรารับรู้เวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกมือกายก็รับรู้ แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนทั้งนั้นเหมือนลมลมมันไม่มีตัวตนน้ําไม่มีตัวตนเมื่อมันรวมกันดินน้ําลมไฟมารวมกันมันก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาได้ไงมันก็เป็นร่างกายแต่เป็นร่างกายที่ปราศจากตัวตนแล้วตัวตนนี้มาจากไหนตัวตนก็มาจากธาตุรู้เกิดเหตุเนี่ยที่มีอวิชชาความหลงความไม่ฉลาด ความโง่ขงเขาเบาปัญญาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนโบราณที่แปลว่าโลงนี้แบนเพเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าโลกนี้มันไม่แบนโลงนี้มันโกงแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าๆก็จะรู้สึกว่ามันแบนอันนี้ก็เหมือนกันจิตของทุกๆดวงที่มา มากติดกับร่างกายนี้ก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตัวจิตเป็นตัวตนมีตัวตนแล้วก็ตัวที่ตัวรู้เองก็ไปคิดว่าตัวเองก็เป็นตัวตนขึ้นมาอันนี้ก็จะอวิชชาความไม่มีปัญญาซึ่งนานๆจะมีคนฉลาดระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมาพิจารณาวิเคราะห์ จนเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟใจก็เกิดเป็นเพียงา่านรู้ที่มีความคิดแต่เพลงจะคิดไปในทางความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไปคิดว่าเราคือผู้รู้ผู้คิด่าตนั่นเอง มันเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเมื่อเรามีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องรักษาต้องต้องดูแลต้องป้องกันต้องหาความสุขให้กับมันก็เลยเกิดกิเลสตันหาขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่เราโลภเราอยากได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมานี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทําให้ จิตทุกดวงท่านรู้ทุกดวงนี้ต้องคอยแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจบุกขึ้นกายเพื่อที่จะได้สัมผสัสกับลาบยศสารเสริญกับเลือเสียงกินรสต่างๆแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันไม่เทีย่ยงมันไม่ถาวร มันได้มาแล้วเดี๋ยววันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาสิ้นสุดลงเวลาสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปก็เกิดความทุกข์แล้วก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความอยากที่จะหาสิ่งมาทดแทนก็เลยมีการหาสิ่งต่างๆมาทดแทนกันอยู่เรื่อยๆพอสิ่งนี้หมดไปก็หาใหม่มาทแทนนมาแตร่างกายนี้ก็ต้องหมดไปวันใดวันหนึ่งพอร่างกายนี้หมดไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทน เขาต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารากยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่จึงเป็นเหตุของการนำใหม้มาสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักโจบจากสิน้นก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาวิเคราะห์ด้วยปัญญาจนเห็นชัดว่าความหลงเนี่ยทำให้ต้องดิ้นลงทำให้จิต นต้องคอยดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอแต่สิ่งต่างๆที่ขวนขวายหาบำรุงบำเรอก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เทียมมันมีวันสิ้นสุดลงเวลาสิ้นสุดลงความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ความสุขพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยเปรียบเทียบดูว่าเนอกเหนือจากความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นแล้วนะมีความสุขแบบไหนบ้าง ก็ค ง, งส่งคนตทรมาก็ยังมีความสุขแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจที่สามารถที่จะทดแทนความสุขที่ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางร่างกายได้พระองค์ก็เลยส่งเข้าหาความสุขภายในจิตใจความสุขที่เกิดจากความสงบ ซึ่งมีอยู่สองระดับระดับต้นก็คือความสุขชั่วคราวควาสมสงบชั่วคราวที่ได้จากการเข้าฌานเข้าสมาธิต่างๆแต่ยังไม่สามารถทำให้ฌานนี้เป็นสิ่งที่ถาวรได้เพราะโดยธรรมชาติของฌานก็ยังเป็นโลเคียยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจงทุกขังอนัตตา เราเลยต้องทรงหาว่าแล้วมีความสุขแบบที่ถาวรที่ไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ก็สมควรพบว่าก็คือความสุขที่ได้จากการแ ก, าก้ความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจชำระให้มันหมดไปจากใจชำระความโลภโกรธหลงนี่ก็ต้องไปชามชำระที่ตัวความหลงคือความหลงที่ไปคิดว่า ระสิทั้งหลายมีตัวมีตนอสองคนพบว่าเมื่อพิจารณาจริงๆแล้วก็มีแต่เพียงธาตุทั้งหกธาตุทั้งห้าทั้งหกคือดินมน้าลมไฟธาตุดินมน้ําลมไฟแล้วก็ธาตุรู้แล้วก็อวกาศธาตุหรือหรืออากาศธาตุที่เป็นสิ่งที่ห้อมล้อมทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ธาตุสี่ต้อง ต้อง ม, มีมีพื้นที่ตั้งอยู่ก็คืออวกาศสทานแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนมันก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นน้ำดินก็เป็นดินลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟอวกาศก็เป็นอวกาศถ้ารู้ก็เป็นธาตุรู้เพียงแต่ธาตุรู้มีความหลงไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวตนในที่สุดก็ทรงค้นพะว่าเมื่อกำจัด ความความเป็นตัวตวนในธานรู้ได้ถ้ารู้ก็ไม่ต้องมีการแสวงหาอะไรมาคอยรักษาเพราะ้านรู้อยู่ตามลำพังของเขาเขาก็มีความสุขโดยไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเขาตัวที่ทำให้เขาไม่มีความสุขก็คือตัวความหลงตัวตัวตัวอวิชชาตัวที่ไปที่ว่า้ารู้นี้เป็นเป็นตัวเราและการจะต้องมี ความสุขได้ต้องหาความสุขจากสิ่งภายนอกหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขผ่านทางฌานสมาธิต่างๆนี่คือการตัดสรัรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าปัญหาก็คือความหลงที่ไปคิดว่ามีมีตัวมีตนในจิตในร่างกายพิจารณาแล้วก็เพ่งกรรู้ว่ามันเป็น ธาตุเป็นธรรมชาติที่มันอยู่ของมันเองได้มันไม่เดือดร้อนธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟก็อยู่เขาได้ก็ไม่เดือดร้อนธาตุรู้ก็หยุดเขได้ไม่เดือดร้อนเองแต่ว่ามีความหลงมาหลอกท่านุรู้ให้บอกว่าให้คิดว่าการจะมีความสุขได้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีรากมียศมีสารเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสร ยึงเป็นเหตุที่ทำให้ทาโรนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดคอยวิ่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ก็คือสรุปก็คือความจริงเราไม่มีตัวตนไม่มีนะทุกอย่างที่เราว่ากันนี้เป็นสมมุติตัวตนนี่ก็เป็นสมสมุติสมมตินอกจากตัวตนแล้วยังตั้งชื่อให้กับตัวตนอกีกว่าร่างกายนี้มีชื่อนกรนายขอ แลนอกจากนั้นก็ยังไปมีการแบ่งชั้นวรรณะมีนามสกุลมีมีเชื้อชาติมีตำแหน่งมียศมีอะไรต่างๆแบ่งก็แยกกันไปแล้วก็หลงเชื่อกันเพราะว่าเป็นความเป็นจริงแล้วก็เลยเกิดความวุ่นวายต่างๆขึ้นมาไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามองด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่า ทุสิ่งทุกอย่างนี่เป็นแค่ดินน้ำนํำลมไฟเือธาตุรู้ถ้าตุรู้นี้เรามองไม่เห็นเราเห็นเพียงแต่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอาวากาศธาตุแต่ธาตุรู้นี้เป็นธาตุเป็นของที่เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาหูจมูกนิ้วกายไนดะ้รู้ได้เพียงแต่ใจตัวเองรู้ตัวเอง ด้วยการบำเพ็ญจิตตาภาวนานั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วจิตก็จะแยกออกจากกายออกจากรูปเสียงกินรสก็จะเลิ่มตัดตัวจิตตามลำพังก็จะเห็นด้วยว่านี่คือตัวรู้ตัวจิต ไม่ทราบไม่าบว่าผู้ตรงประเด็นหรือเปล่าไม่ทราบเข้าใจกระจ่างขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ครับแสดงว่าขอขั้นสุดท้ายปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องกับว่าแม้แต่รู้ว่าธาตุรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นคือสุดท้ายไอ้ธาตุรู้พอไอ้ธานรู้อยู่ของเขาไปให้เขารู้เฉยเฉยไปให้ทักแต่ว่ารู้ไปอ๋อธาตุรู้เหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟอย่างนั้นเลยมไม่มีไข่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องอย่างไีไม่มีไม่มีอะไรทั้งมันเพียงแต่ธานุรู้ ความหลงมาเหล่าท่านรู้ให้ไปไปหลคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราร่างกายเป็นตัวของพ่อของแม่เราของพี่ของน้องเราปรเกิดความรักความชังต่างๆขึ้นมาครับเกิดความโลภความอยากขึ้นมาเพราะใจที่ไม่สงบไม่ไม่รู้เฉยๆนี่จคหิวะจะรู้สึกขาดอะไร แต่ถ้าสามารถทำใจก็คุมใจให้รู้เฉยๆได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ใจนั้นนับเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งครับผมครับที่เรววนิี้ผ่านเนี่ยโอ้ครับผมบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับได้ความกระจ่างมากขึ้นเยอะเลยครับพระอาจารย์ครับก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้ดองดันาสายสตินึงจิตให้เข้าสู่ชาญ ก็ได้ท่านได้ได้เข้าถึงท่านรู้ชั่วคราวเพราะฌานก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติพอกําลังสติอ่อนลงกําลังที่จะตักดันคือวิชาก็จะตักดันจิตให้ออกมาหาร่างกายมาหาความสุขผ่านทางร่างกายต่ออัน ท, ที่สองก็คือต้องใช้ปัญญาสอนจิตว่าอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะเป็นเป็นของชั่วคราวที่จะต้องทําให้ทุก ทุกครา้ที่อยากก็เกิดความอยากขึ้นมาก็ให้สอนว่าอย่าไปเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นก็สอนใจให้หยุดหยุดเดยร์หยุดโลภหยุดต้องการสิ่งตา่างๆให้สัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆพอสามารถกําจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้วนะ้ใจก็จะรู้เฉยๆไปโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไร ใจก็จะมีความสุขในตัวของตัวเองครับผมเหนที่พระพุทธเจ้าเคยสอนพระองค์ถึงที่บอกว่าเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินอย่างนั้นใช่ใช่นั่นก็เป็นความอยากต่างเขาเข้าใจเรารู้จักวิธีรักษาใจของเขาให้เพียงแต่เป็นผู้รู้เฉยๆให้เป็นสัตว์แต่ว่ารู้ครับผมนั่นแหะคือจุดที่แท้จริงจุดที่จะนําความสุขให้แก่ผู้รู้ถ้ารู้ทําให้ท้ ผรู้ทรู้นี่ไม่ต้องไปข้นขวายไปเล่นนอนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับต้นเองต่อไปครับการปฏิบัติก็เพื่อดึงจิตให้เข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับครับขอบพคุณพระอาจารย์ครับจะพยายามเพียรทําต่อไปครับเดี๋ยวผมขอการถามของเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับจากคุณสมพรครับน้องกราบฤาษีการบูชาพระอาจารย์การทําภาวนาต้องทําอย่างไรครับน้องกราบสาธุครับ ภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาระดับแรกก็เพื่อทําใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเพื่อจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเพื่อที่จะได้ เลิกหาความสุขผ่านทางตาหูจะบอกลิงกกายเลือกหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสเมื่อเข้าเมื่อเข้าฌาได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนใจเวลาใจยังมีความหลงหลอกให้ไปหาความสุขทางราบยศเสรเสริญทางลูกเสียงกลิ่นรสเยอะก็ให้สอนว่ามันเป็นไตหลักมันไม่เทียมมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันเทียมได้ ลาบยศสรรเสริญนี่มันได้มาไป็นของชั่วคราบพอเราไปยุ่งกับมันรั๊บเวลาได้ก็ดีใจพอเสียไปก็หมดไปก็เสียใจทุกใจต้องหมดนะัดยังด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเขาไม่หมดเราก็หมดคือร่างกายเราต้องตายบางทีลาบยังไม่หมดเศรษฐีนี่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีเยอะแย ะ, ยะแต่ในที่สุดพอร่างกายตายไป ถึงแม้จะมีก็เหมือนกัไม่มีแล้วเพราะไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถไปเคลมทรัพย์สมบัติเหล่านี้ได้นะก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาสิ้นสุดลงเวลา ก, การผ่าผ่ากจากราบโยสลเสริญจากความสุขท่ามกลางาองจมมืดมิดกายก็นํามาสู่ความทุกข์ใจนำนําไปสู่การไปเกิดใหม่พาไ ป, ไปหาราบโยชนลเสริญในรอบใหม่ต่อ ถึงมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงถึงต้องปฏิบัติภาวานาสองระดับนี้ระดับแรกสมถะภาวานานต้องใช้สติเป็นเหตุที่จะทําให้จิตเข้าสู่ฌาเข้าสู่สมาธิได้อารมณ์ที่ใช้การเจริญสมถะภาวานานีเรียกว่ากรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ใช้ทุกทั้งสี่สิบชนิด แล้วเลือกเอาชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับเราซึ่งทางสายภาพป่านิทานก็นิยมใช้คำว่าพุทโธคำบาลรคำพุทโธพุทโธเวลานัา่งคลายใช้อนาปนสติดูลงหายใจเขา้าออกสติมีหน้าที่คอยควบคุมคอยหยุดความคิดบุมแตกต่างเพราะจิตจะสงบเป็นาญมีความสุขขึ้นมาได้ต้อง จิตต้องหยุดคิดหยุดปรุงแต่งต้องาศัยกำลังของสติคอยคอยรังงับความคิดปรุงแต่ให้ได้ยิ่ต้องฝึกสติทั้งวันทั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วพอถึงเวลานั่งสมาธิถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องก็จะสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้อย่างง่ายดายแลดเร็วภายใน5้านาทีก็เข้าได้อันนี้พอได้ความสุขจากทาง ความสงบแล้วก็จะเห็นความแตกระหว่างความสุขของสองรูปแบบความสุขจากลาบลดสรรเสริญกับความสุขจากชานี่มันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกับความสุขทั้งปวงสงสารว่าลดแห่งธรามชนะลดทั้งปวงก็คือความสงบนี้เพียงแต่สงบความสงบระดับชานี้มันยังไม่ถาวร เพามันไม่ไม่สามารถกำจัดความโรคโ่อนหลงที่ยังมีในใจให้หมดไป้ดยกำลังของของสติเพียงอย่างเดียวเพียงแต่กดเอาไว้สมาธินี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนหินทับหญ้าห็นเวลาหินทับหญ้ายญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอพอเอายกหินออกไปสักระยะหนึ่งพอญ้าได้น้ำได้น้ำค้างน้ำฝนมันก็งอกเลยกับขึ้นมาไะ เพราะรากมันยังไม่ตายรากมันเยอ ะ, ตยะ ใ, ใอ ต, ยอยอต้ดินวิธีที่จะทําให้ให้หญ้านี้ตายอย่างถาวรก็ต้องถอนรากมันขึ้นมาแย่างใดวิธีที่จะทําให้ความโลภโกรนหลวงนี้เส้นสุดไปหมดออกไปจากใจก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ถอนเพราะว่าสติไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความสามารถที่จะถอดถอนความโลภโกรนหลงนั้นเพียงแต่กดเอาไว้เท่านั้นเองต้องใช้ปัญญา เพาะความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากความความไม่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจธรรมชาติของใจว่าเป็นอะไร น, นั่นเองผู้ใดถ้าเข้าถึงธรรมชาติและเข้าใจว่าใจนี้เป็นเพลงผู้รู้และเป็นผู้รู้ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรให้ความสุขกับผู้รู้ผู้รู้นี้มีความสุขโดยกำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรพอได้ปัญญา ก็จะสอนว่าต่อไปนี้อยากไปหาความสุขจากาลาภยศเสริสอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงขลิบไปหาความสุขจากการนิ่งเฉยของใจให้นิ่งเฉยท่านั้นเองถ้ามีกับพลังขอ ง, ของกุเบขาที่ได้จากสติสมาธิก็จะสามารถทำตามที่ปัญญาสอนจิตได้คือให้ยุติการสแสวงห า, าลาภยศเสริญหารูปเสียงขลิบมาให้ความสุขกับตน แต่แม้กระทังการหาความสุขจากการเข้าสมาธิก็ต้องยุติเหมือนกันเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอที่สุดก็ต้องเลิกหมดเลิกหาวความสุขทุกชนิดก็ถึงจะเข้าก็จะเข้าสู่ความนิ่งเฉย อ, อย่างถาวรและความนิ่งเฉยที่ถาวรนี้ก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ไม่มีวันชิ่ววนสุดเรียกว่านิพานนี่คือการภาวนาสองระดับสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาครับผมคำถามจากคุณสมพรต่อครับพระอาจารย์บอกว่าน้องกับปุจชาครับโยมถนัดการอ่านคำสอนของพระอาจารย์แล้วนำคำสอนที่เป็นคำพูดภาษาทั่ ว, วไปแต่สามารถนำมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้ทันทีอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมอย่างไรครับ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมระดับผิวผิวมันก็ยังไม่เอาถึงแก่นเราก็นำมาใช้สอนใจไม่ให้โลภมากเกินไปไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมากเกินไปแต่เลึกๆความอยากยังไม่ยังไม่หมดไปหรือว่าถ้าถ้าสามารถทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้ก็คือ ให้สักแต่ ว, ว่ารู้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเห็นก็สักแต่ ว, ว่าเห็นเวลาได้ยินก็สักแต่ ว, ว่าได้ยินไม่มีความโลภความโกรธความหลง ก, กับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้ได้ก็สามารถบลุทําได้ถ้ายังมีความอารมณ์กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้อยู่มีความชอบมีความเกลียดอย่างนี้แล้วก็นําไปสู่ความอยากได้หรืออยากไม่ได้ขึ้นมา อันนี้ก็ยังถือว่ายังปฏิบัติไม่ถึงถึงที่นะคำ ถ, ถามจากคุณศิรินภาครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าบ้านแฟนขายเบียร์แล้วเราต้องขายด้วยต้องรับเงินทอนไม่ได้เชียร์ขายลูกค้ามาซื้อแบบนี้จะผิดศีลไหมคะเอาอไม่ผิดศีลหรอกถ้าเราไม่ได้ดื่มนองเพียงแต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับชาวพุทธเราท่านเ้ คุณเราไม่ควรที่จะส่งเสริมให้คนเดื่มสุราาา่ายังเาเพระเมื่อเขาหมึนมาแล้วเขาจะไปสร้างความเสียหให้แก่ผู้บำละตัวเขาเองเมาก็รู้ไม่ใช่หรคนที่มีเข้าไปใก้เจ็บอยากการจากพิศราเลืองราวนี้เป็ยังไงครับผมคุณรัชนีคาับรัศรการพระอาจารย์คะ่ะจะลูกโกลถามว่าแม่เปรียบเสมือนพระ อ, อรหันต์ถ้าลูกตัดเล็บเท้าให้แม่แล้วไปทําให้แม่เลือดไหลเพราะเล็บคนแก่จะ อาหนามากและทิมเข้าเนื้อลูกจะบาปหนักไหมคะเออไม่บาปหรอกว่าไม่มีเจตนาต้องมีเจตนาถึงจะบาปถ้าทำด้วยความเมตตาความด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความหวงใหญ่นี้ไม่ถือว่าเป็นเป็นบาปแต่อย่างใดถือว่าเป็นอุบททัติเหตุเป็นเรื่องศกวิสัย จากคุณศิลินทิพย์ครับมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งบอกว่าสัญญาเดิมในทางพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรคะคำถามที่หนึ่งครับอาจารย์ครับสัญญาเดิมที่ติดมากระจายของเราทุกคนก็คือเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาจมูกนิ้นกายนี้เป็นนิจจังสุขกลางหนัตานะั่นเองคือเป็นเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เห็นน่ำลงนี้แบน สัญญาของคนสมัยก่อนคนสมัยโบราณที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงสมัยยุคนั้นทุกคนก็จะว่าโลกนี้แบ่งนั้นครับอันนี้ก็เหมือนกันสัญญาของของผู้ทุชนอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ก็จะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเป็นนิจจงสุขขังอัตตาโดยได้อะไรมาแล้วเราก็คิดว่าจะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดครับ เราก็จะให้ความสุขกับเราไปตลอดถ้ามีไหมสิ่งที่เราได้มาแล้วที่จะให้ความสุขเราไปตลอดถึงแม้สิ่งแม้เงินทองที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็ยังให้ความทุกข์กับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวทุกเพราะทุกทุกอย่างเลยก็ทุกเพราะความหวงความหวงความกังวลในเงินที่เราฝากในธนาคารนี้มันจะมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้น ข้อที่สองครับปัญญาที่เกิดจากสัญญาต่างกับต่างจากปัญญาที่เกิดจากการภาวนาอย่างไรคะคือเบื้องต้นนี้เราก็ต้องอาศัยสัญญาคือความจําปัญญาของพอระพุทธเจ้าที่เราศึกษาธรรมะนี่เราก็ศึกษาปัญญาของพอระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่มีตัวตนอันนี้ยังเป็นสัญญาอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็น กับใจของเราเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอามาจดจำไปแต่เวลาเราสูญเสียอะไรไปเราก็ทุกขึ้นมาทันทีนั่นแสดงว่าเรายังไม่เห็นว่าสิ่งที่เราสูญเสียนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรางั้นเราก็ต้องเอามาคลิกใจเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปเราต้องอย่าเสียใจต้องบอกว่ามันไม่เราไปเสียใจกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราทำไม แต่ความหลงเราไปคิดว่ามันเป็นของเราครับพอเราเสียไปเราก็เลยเสียใจงั้นตอนนั้นที่การที่จะทำให้เราไม่เสียใจก็คือเราต้องคอยเตือนใจอยู่ทุกทุกขณะว่านี่ไม่ใช่ของเราเนะ่ยรถคันนี้ไม่ใช่ของเราเนะยเงินก้อนนี้ไม่ใช่ของเราเนะ่ถึงเวลามันก็จะไปจากเราได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอันนี้ถ้าคอยคิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้ว พอถึงเวลาที่สูญเสียไปแล้วสามารถสอนใจไม่ให้ทุกข์ได้อ น, นั้นหนักถึงจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ถ้ายังทุกข์ใจกับสิการสูญเสียอยู่ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาอยู่ว่ายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ไปในใจได้วิธีรรที่จะทําให้มันเป็นภาวนาได้ก็คือหึงต้องเข้าสมาธิให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นได้อุบเบกขา ถ้าไม่ได้อุเบกขาแล้วอุเบกขานี้จะเป็นตัวที่จะทำตามที่ปัญญาสอนก็คือให้ปล่อยวางให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้ามันจะไปก็ปล่อยมันไปโดยที่ไม่มีความอยากได้คืนมาความทุกข์เกิดจากความอยากได้คืนมาความอยากไม่สูญเสียไปแต่ถ้าปัญญาบอกว่ามันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งแล้วถ้าเรามีอุเบกขาที่ได้จากสมาธิมา อุเบกขาก็จะสามารถทําหน้าที่ของตนคือหยุดใจไม่ให้ไปอยากได้คืนม า, านได้ใจก็จะไม่ทุกเวลาที่สูญเสียอะไรไปอันนั้นถึงจะเรียกว่าภาวนาปัญญาที่ได้จากการภาวนานคือปัญญาหนึ่งปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืมรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มีอุเบกขาที่ได้จากการบาเำเพ็ญสมถะภาวนา มาสนับสนุนปัญญาอีกทีนึ่งจึงจะสามารถทําให้จิตไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปได้คุณสมพรครับน้อมปุจฉาพระอาจารย์นะครับพระธรรมบทใดที่โยมสามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดการทุกสถานการณ์ครับในขณะนี้ก็สติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะประยุกต์ใช้ตลอดเวลาเพราะสตินี่จะเป็นเครื่องมือที่จะทควบคุมใจของเรา ควบคุมความโลกความกรธความหลงของเราได้ดังนั้นพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆเช่นบริกรรมพุดโธยอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดฟุง้งซ่าคิดเพ้อเจอ้อคิดเพ้อฝันให้คิดเฉพาะกับเรื่องที่จำเป็นต้องคิดคือเรื่องเทปเรื่องเรื่องงานการเรื่องธรรมะหากิจแต่อย่าอย่ามานั่งคิดเพ้อฝัน เออมานังน่งกอดคนนั่งกอดคนนี้อะไรต่างๆวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็นั้นคนนี้ให้เสียเวลาควบคุมความคิดให้ได้นี่เปล่าเพราะถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจเราจะนิ่งใจเราจะเฉยได้ดงนั้นฝึกสติไปถ้าไม่ใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ให้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจไว้ผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายทุกปิริยาบดของการเคลื่อนไหวให้รู้ทุกขณะว่าร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไร ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายเพียงอย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ถ้ามีสติแล้วเวลาต้องการจะทําใจให้สงบเข้าสมาธิเพื่อให้มีความสุขก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายก็จะก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกอีกต่อไปไม่ต้องไปหาเงินมาให้เหนือน่อยให้เหนือน่อยไม่ต้องไปหาราบยศสรรเสริญรูปงเสียงกินนวดมาให้ความสุขกับตน ทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่มีความสดก็เข้าออสมาธิค่ะคำถามจากคุณคิลลี่ครับกลับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ว่าอนัตตาคือการบังคับไม่ได้ไม่ต้องยึดมั่นรวมถึงประทามด้วยหรือคะคือคำว่าอนัตตานี่คือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งหกคือดินน้าลมไฟกับใจ เ, เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ เช่นร่างกายของเราเร่างกายของผู้หรือเหตุการณ์ในโลกนี้ธรรมชาติเช่นฝนฟ้าอากาศฝนน้ำฝนน้ำท่วมอะไรของเหล่านี้เป็ น, ปนสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ลาบยรทธ์าบยุทธ์รสรรเสริญสุขก็เราก็ควบคุมบังคับไม่ไดไาา้ไม่สามารถสั่งให้ลาบมาไม่สามารถสั่งให้ลาบไม่หมดไม่ได้มันอยากได้มันไม่มาก็มี มันถูกวัตถุรีมันทานวัตถุรีเนี่ยอยากจะสั่งให้มันมากันอยากจะถูกวัตถุรีกันแต่มันไม่ก็ไม่ถูกกันครับเนี่ยคืออนัตตาไม่อยู่การบังคับของพวกเราอันนี้ไม่เกี่ยวถึงพระธรรมพระธรรมนี้เป็นคําสอนของพทะเจ้าที่เราสามารถถ้าเรามีความตั้งใจมีความเพียรพยายามเราสามารถอน้อมเอาเข้ามาอยู่ในใจของเราได้ด้วยการเจริญส ต, ติอยู่เรื่อย พิจนาธรรมเรื่อยๆ เ, เราสามารถปลุกฟังทำให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้อันนี้ไม่อยู่ภายใต้คำว่ากดของอนัตตาแต่จะว่าเป็นหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่พระธรรมที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้อยู่ในใจของเราได้เช่นปัญญานี้ก็เป็นธรรมที่เราสร้างขึ้นมาให้อยู่กับในใจเราได้สติเราก็สร้างขึ้นมาให้อยู่ในใจเรา สมาธิเราก็สร้างขึน้นมาในใจของเาได้สีฐานนี้เราสร้างได้อันนี้ไ ม, นไม่เกี่ยวกับเรื่องของอนัตตาจากคุณอับสรครับฝันเห็นหลวงปู่จียะท่านบอกว่าให้เร่งรีบตามท่านมาหมายถึงอะไรเจ้าคะก็ให้รีบปฏิบัติให้รีบปนิบพานกับท่านอย่ามัวหลงอยู่กับการห า, ราลาภยศรเสิริญหารูปเชยงกินแล้วให้เสียเวลาไปเปล่า ก็จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับนลวงปู่เจีนที่ท่านได้ละลาบโนสรสเสริญสุขแล้วท่านได้ไปทางพั น, นิพานแล้วถ้าเราถ้าท่านบอกให้เร่งรีบตามมาก็หมายถึงให้เราเร่งมาปฏิบัติทางซิงภาวนาเพื่อละความอยากได้ลาบโนสนสเสริญสุขให้หมดไปจากใจของเรานี้ คุณมนมรัตน์ครับนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตากับไม่ได้แผ่เมตตาแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะมีผลต่อการนั่งสมาธิต่อๆไปหรือไม่คะไม่มีหรอกว่าการแผ่เมตตานี้มันเป็นกิจกรรมเสริมหลังจากที่เรานั่งสมาธิแล้วก็ให้เราแผ่เมตตาแต่ ก, ก็เป็นการเข้าใจผิดเด็กว่าการแผ่เมตตาที่แท้จริงนี่ไม่ได้แผ่ในขณะที่เราเสร็จจากการนั่งสมาธิเพียงแต่การนั้นรว่าเราขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ยงไม่มีเวรกันเถิดนี่เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการกระทำไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการที่จะแผ่เมตตาได้ไม่ต้องแผนด้วยการกระทำคือให้เราเวลาพบปะกับผู้ที่เราไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือบุคคลเราต้องให้ความเมตตาต่อเขาการที่จะเรื่องตืนใส่เขาแล้วก็ควรที่จะยิ้มทักทายเขาถามสาระทุกสุขดี หรือถ้าเราอยากให้เขามีความสุขถ้าเรามีของอะไรที่เราแบ่งให้เขาได้เราก็แบ่งให้เขาไปหรือว่าถ้าเราเห็นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราอยากช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเขาเราก็ช่วยบรรเทาด้วยการให้ปัจจัยสี่เช่นอาหารอะไรต่างๆแบบนี้ไปให้กับเขาอันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำทะเพียงเพียงแต่เ น, บบนื้คิดเฉยๆนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาที่ให้นื้คิดเพื่อให้ ให้เตือนใจให้สอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาให้เป็นเราต้องรู้จักว่าการไม่มีจองเวรนี่ทำอย่างไรการที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี้ทำอย่างไรการที่ไม่ทำให้ผู้อื่เขาทุกข์การทุกข์ใจทำอย่างไรการที่ทำให้คนอื่นก็มีความสุขนี่นทำอย่างไรเราต้องรู้เพื่อที่เวลาที่เราได้ไปพบปะ ก, กับคนเราจะได้ใช้ความเมตตาที่เราได้ ศึกษานี้ไปใช้ได้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้พอใครเขาทาอะไรไม่ทาให้เราไม่พอใจแล้วเขาไปโกรธเขาเปลี่ยนเขาแ้วอันนี้ัมนก็ถือว่าไม่ได้แผ่เมตตาเลยก็ทําให้เราโกรธเราต้องไม่โกรธเขามันต้องให้อภัยเขาไม่จองเวรกับเขาอันนี้ต่างหากถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาที่แท้จริงนั้นเรื่องการ หลังจากนั่งสมาธิแล้วจะแผ่ไม่แผ่มันก็ไม่ได้แผ่เพราะเราอยู่คนเดียวเองแต่เป็นการเท่าเป็นการสอนใจว่าเราต้องรู้จักวิธีแผ่เมตตานะซึ่งมีสี่ลักษณะไม่จองเวรกันไม่ไม่เบียดเบียนกันไม่ให้ไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันแล้วก็ให้ความสุขต่อกัน คุณอุดมเดชครับจิตของพระอริยะในขณะที่ทําสมาธิท่านยังมีจิตฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่อยู่หรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็ถ้ายังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ยังมีเพราะยังมีกิเลสมีความโมหะที่มาคอยดอกร่อให้เกิดความฟุ้งซ่านด้นเช่นพระโสดาบันนี่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านดังพระสกิรด า, า, าคาราคะก็ยังมีความฟุ้งซ่านดั นอกจากยกเว้นพาาระอรหันต์แล้ที่จะไม่มีความ่วงส่าตีกต่อไปแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าจิตของท่านเป็นสมาธิตลอดเวลาในเรียบที่คุณทองไปครับกาณน์รากา ร, การเจ้าคะ่ะศรัทธาศีสุตตะจากะปัญญาอยากให้พระอาจารย์ขยายความในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงพร้อม เพราะบางอย่างไม่เข้าใจยังมีคิดผิดอยู่เจ้าค่ะก็ศรัทธาก็คือมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคําสอนคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นคําสอนที่ถูกตั้งตามหลักความเป็นจริงเหมือนกับเราเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาที่เราไปเรียนใช่ไหมว่าเป็นสถาบันที่สอนวิชาการรู้ที่ที่ถูกต้องอย่างไปเรียนที่ศิริราชนี่เพราะว่าเราเชื่อว่า เราจะได้เป็นหมอแท้ไม่ได้เป็นหมอปลอมได้ ค, ความรู้ที่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแท้จริงนี่คือศรัทธาความเชื่อในสถาบันของการศึกษาพวกเราเป็นนักศึกษากันชาวพุทธเหล่านี้เป็นนักศึกษาและสถาบันของเราก็คือพระพุทธศาสนาที่มีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ะเป็นเป็นหลักสูตรพระพุทธเจ้าเป็นอาจาร ย, าย์ใหญ่ พระที่เราสงสาวกเป็นผู้ช่วยศาสตาจารย์ทั้งหลาย <Yes. Okay. S 2> แล้วก็พระธรรมคำสอนก็เป็นหลักสูตรคําสอนนี่คือศรัทธาที่เราต้องมีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลที่พานอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการมึนไม้ตายคือดเราต้องมีศรัทธาในคําสอนอ <Okay. S 2> ันหนึ่งในคําสอนก็สอนให้เรามีศีล <Okay. S 2> เราก็ต้องรักษาศีลจะไม่เบียดเบียนกัน ไม่ไม่กระทําบาปทั้งปวงนั่นเองก็แค่ศีลห้านี่นะคือการเอารักษาศีลห้าได้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้กระทําบาปทั้งปวงศีลห้าแล้วก็บรรลุด้วยอับบายยมุกด้วยครับซึ่งสุลานี้ก็เป็นเป็นอับบายยมุกความจริงเป็นอับบายยมุกนอกจากสุลาแล้วก็มีเล่นตามเล่นการพ น, นันเที่ยวเตะรักกันวันนั่งกันคืนพบคนที่ชอบอับบายามุกเป็นมิตร แล้วก็ความเกียรติคานี่คือสิ่งที่เราจะต้องละจะถือว่าอยู่ในรวมอยู่ในกลุ่มของสีก็ได้ที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าเราถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ให้รุดอกจากกองทุกได้เราต้องมีสีสุตตะก็คือการการได้ยินได้ฟังน่ก็คือการศึกษาเนพระสูตรต่างๆเรียกว่าสุตตะ พระสูตรคำว่ามาจากพระสูตรสุตตะก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าคือให้เราให้เราสนใจฝ่ายรู้ศึกษาอยู่เรื่อยแล้วก็จะค้างให้เรามีการเสียสละแบ่งปันอย่ายึดอย่าหวงกับสิ่งที่มันเกินความจำเป็นที่เราจะต้องมีให้มีเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้พอกินได้อยู่ได้ก็พอ มากว่า น, นั้นก็แบ่งปันไปบริจาคไปคำว่าจากคก็มาก็มามาจากคําบริจาคนี mm ่ hmm. okay. แล้วก็ปัญญาก็คือให้เราเอาคําสอนของพุทธเจ้าที่เราได้รู้นี่มาพิจารณาอยู่นึนี่ให้มันฝังอยู่ในใจเราให้เป็นการเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะสุดท้ายที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังเป็นสัญญาอยู่ถ้าเราไม่เอามาคิดอยู่นึงนี่เราก็ยังจะลืมได้ ถ้าอยากจะให้สุดจะกลายเป็นปัญญาก็าต้องหมั่นพิจารณาอย่างเงีเนียบอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อม ม, ม, ม, ม, มมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาร่วมงพ้นความแก่ความเจ็บความตายกัน ไ, ได้ให้พิจารณาอยู่เงียบเนีแล้วต่อไปนั้นก็จะกลายเป็นปัญญาที่จะทําทให้เราไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ เมื่อเรารู้ว่าฆ่ามันไม่ได้เรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายันนั้นก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาคุณพานุพงศ์ครับนักประกา ร, รพระอาจารย์ถ้าดวงจิตกับกายนั้นแยกจากกันทําไมเมื่อดวงจิตที่ไปเกิดใหม่ถึงไม่สามารถจําอดีตหรือสิ่งที่เคยทํามาในชาติก่อนได้ครับเราความจำของเรามันสั้นเ น, นเองอย่ว่าแต่อดีตชาติเลย เอวานนี้จําได้หรือเปล่ า, าตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้ไปทํำอะไรบ้างมันเราทำอะไรเยอะแยะมากแล้วเขเราไม่สามารถที่จะมาจดจําทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นผู้ที่มีความจําดีบางคนนี่มีความสามารถในการจดความจําได้ดีมากแล้วก็เวลาที่เขาถ้าเขามีความสามารถที่จะทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ เขาสามารถที่จะดึงเอาความจาต่างๆที่ยาวนานนี้ขึ้นมาให้เขารับรู้ได้ให้เขารู้ว่าชาติก่อนก็เป็นใครอยู่อยู่ที่ไหนยอย่างไรยอย่างพพุทธชาติเนี่ยส่งเรื่ชาติได้ส่งเราว่าส่งเรื่ว่าชาติก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชาติถัดไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีนนงนน้แต่ต้องมีความสามารถหนึ่งคือต้องมีความสามารถพิเศษคือมีคนที่จา จำจำจำเก็ง่งจดจำได้ดีสองต้องมีฌานระดับอุปจารสมาธิต้องเข้าระดับอุปจารสมาธิถึงจะระลึกชานได้ระลึกถึงบันดีจต่างๆที่ยาวนานได้ถ้าสําหรับุคนทั่วไปแล้วนี่ก็แม้แต่วันนี้เมื่อช้านี้ทําอะไรบ้างคุยกับใครบ้างอะไรนี้บางทียังจําไม่ได้ คุณสมพรครับอันที่สองของการใส่บาตรพระตอนเช้ามีอนุสงฆ์อย่างไรบ้างครับก็เป็นการทําทานอย่างหนึ่งทานก็คืออันที่สองขอทานก็คือเราให้สิ่งใดไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาบวกกับดอกเบีย้ยสมมติว่าเราบริจาคเงินไปร้อยบาทนี้ท่ามหน้าเราก็จะได้เงินร้อยบาทนั้นกลับมาแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยอันนี้ ให้อะไรไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาให้อาหารไปต่อไปพบหน้าชาติหน้าก็จะไม่อดอยากขาดแคลนจะมีอาหารรอ <c oughs> ให้เรารับประทานอยู่มากมายไกลก่อนยังให้อะไรไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาให้ปัจจัยสี่ก็จะได้ปัจจัยสี่กลับมาคุณนัชชาครับศานัสการพระอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเกิดดับ แล้วมีสิ่งไหนบ้างที่ไม่เกิดดับไหมคะนิพพานมีเกิดดับไหมคะก็ท่านุธาตุทั้งหกนี้ไม่เกิดดับธาตุเดินธาตุน้ำธาตุาม nose, ามลมธาตุไฟธาตุรู้อากาศสถานนี้มันไม่ดับเนื่งจากว่ามันเป็นรวมตัวกันพอมันไปรวมตัวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นโลกเป็นอะไรไปแ้วเดี๋ยวพอมันแย ก, ก, ก, น ก, กตัวกันกลับมาไอ้สิ่งที่รวมตัวกันมันก็ดับไป มันร่างกายของเรานี้มันเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่เกิดน้ำลมไฟนะครับแล้วพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้หยุดทํางานธาตุทั้งสี่ก็แยกถัก่าตไม่หายไปสิ่งที่หายไปก็คือร่างกายคุณสมพรครับเราควรมีความอยากอ ย, ากอย่างไรจึงจึงไม่ถึงกับเป็นกิเลสแต่เป็นความอยากเชิงอย่างชีพ จึงต้องมีความอยากเราจึงควรมีความอยากอย่างไรจึงทำให้ชีวิตมีความสุขไม่ติดกิเลสไม่เกิดภพชาติน้องกาดน้ำสการครับก็อยากแบบมากน้อยสันโดษเาเท่าที่จําเป็นมากน้อยสันโดษก็คือยินดีตามมีตาเกิดถ้าได้ไม่พอก็อยากไปดิอยากไปเดือดร้อนเช่นวันนี้แทนที่จกินข้าวสามมือก็ได้แค่สอง ม, มือมม้อก็ ก็ดีกว่าไม่ได้กินกินอย่างนี้เรียกว่าสันโดดมากน้อยก็คือ อ, อย่างน้อยต้องกินวันละสามมือก็กินไปแต่ไม่มากกว่านั้นไม่กินสี่มือม้อห้อามื้อเาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของร่างกายก็อยากแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นกินเลสคุณีิพว w a n ครับกราบนมะสกา ร, การพระอาจารย์ค่ะเวลาเรานั่งสมาธิจิตท่องพุโทโธแล้วเกิดอารมณ์ เห็นพระพุทธเจ้าแบบนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้หรอกอย่าไม่ควรจะเห็นอะไรต้องการให้จิตสงบให้จิตให้ว่าถ้ายังเห็นอยู่แสดงว่าจิตยังไม่สงบยังไม่ว่างก็ให้พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่ปรากฏให้เห็นสิ่งต่างๆขึ้นม า, อ ย, ายอย่าหยุดพุดโทโธพุโทโธต่อไปจนกว่าจิตจนดิงเข้าสู่ความสงบแล้วก็ว่าสงบเย็นสบายพราะะนัั้นมนถึงนี้นเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมา คุณนักชาลาครับสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนั้นหมายความว่าเราควรปฏิบัติธรรมจนจิตตายเสียก่อนตายให้ได้ก่อนที่ร่างกายนี้จะกลับคืนสู่ธรรมชาติเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะคือจิตมันไม่ตายปีนี้ให้ตา ย, ตายคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตให้ความโลภความโกรธความหลงมันตายไปจากจิตจากใจก่อนที่เราจะตายก่อนที่ร่างกายนี้จะตาย เพราะว่าพอร่างกายนี้ตายไปช่วงที่ไม่มีร่างกายนี้เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ยกเว้นว่าถ้าเราได้ขั้นเข้าถึงขั้นพระอริยะบุคคลแล้นเราสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยที่ไม่มีร่างกายก็ได้เป็นพระสโสดาบันนี่ไปอยู่ที่สวรรค์นี่ก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมได้พระนาคามีไปอยู่สวรรค์ก็ยังปฏิบัติธรรมต่อได้แต่ถ้าเป็นปุถุชน้ส่วนใหญ่พอไม่มีร่างกายแล้วก็จะไปรับผลบุญผลบา คุณเจพีครับกาบนวัชการพระอาจารย์การภาวนาพุทธโธจำเป็นที่จะต้องหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไหมครับไม่ต้องหรอกใช้พุทธโธอย่างเดียวโดยเฉพาะเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาเราเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆนี่เราก็ยังต้องใช้พุทธโธอยู่นั้นก็ทำพุทธโธไปในขณะที่เรานั่งหน้าร่างวัน อาบน้มรับประทานอาหารแต่เนื้อแต่งตัวอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พูดโถไปแล้วก็ดูดูสิ่งที่เรากระทาไปพร้อมๆกันด้วยไม่ต้องดูลมหายใจจะดูลมหายใจก็เวลาเรานั่งสมาธิถ้าจะดูลมหายใจก็ไม่ต้องพูดโถก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้รหรือจะดูลมด้วยแล้วพูดโธไปด้วยก็ได้เหมือนกันแต่ไม่จําเป็น เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พูดโทษอย่างเดียวก็ได้ลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธก็ได้คุณสมพรครับน้องกับบุตรชาพระอาจารย์โยมถนัดอ่านคําสอนของพระอาจารย์ที่มีโยมได้โพสต์บ่อยๆแล้วโยมเสพพระธรรมนํามาปฏิบัติได้ทันทีไม่ต้องปรุงให้สุกอีกพร้อมทานพร้อมปฏิบัติได้ทันทีโดยโยมไม่ถนัดการปฏิบัติแบบนั่งสมาธิ จเจริญวิปัสสนาโยมไม่เข้าใจว่าต้องทำกันยังไงแต่คำสอนที่เป็นภาษาบอกกล่าวโยมเสดได้ง่ายกว่าเข้าใจได้ง่ายมากกว่านำมาปฏิบัติได้ง่ายมากกว่าเห็นธรรมากของจริงมากกว่าโยมมีจิตการปฏิบัติธรรมเป็นแบบไหนครับน้องกัปปะทุครับก็คือมันสิ่งที่โยมสามารถนำมา ป, ปฏิบัติได้ก็ถือว่าก็ก็ดีเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมี ส่วนที่ยยมยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็นีที่มันเล็กกว่านั้นที่ยากกว่าเช่นว่าเวลาใครเขาทำร้ายเราแล้วเราไม่โกรธเขาได้ไหมเราให้อภยัยเขาได้ไหมใครโกงเงินเราไปแล้วอาถือว่าเป็นการทาบุญทาทานไปให้อภัยกันไปทำนี้ได้หรือเปล่าถ้าโยมสามารถทำได้ก็ถือว่าก็ใช้ได้ ถ้ายอมสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่ร่างกายของยอมยอมก็ยินดีที่จะปล่อยให้มันตายได้ใงนี้ก็ถือว่ายอม ไ, มได้ปฏิบัติไปไกลมาก ค, คุณสุขทุกขอยู่ที่ใจครับการเล่นหุ้นเป็นสัมมาอาชีวะไหมครับแล้วการที่เราอยากได้กําไรจากการซื้อขายถือว่าเป็นความโลภไหมครับอำมาตะการครับคือ การทำมากินนี้มันก็ต้องมีการเสี่ยงเสียงมากเสี่ยงน้อยใช่ไหมครับนั้นก็อยู่ที่ว่าเราถ้าเราโลภเราก็มักจะยอมเสี่ยงมากเพราะการที่เราอยากจะได้มากเราก็ต้องเสี่ยงมากถ้าเราไม่อยากได้มากเราก็เสี่ยงน้อยก็มีทั้นนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าไม่ถือว่าเป็นการอันไน มันก็เป็นสัมมาทิฏฐะเป็นการซื้อขายโดยถูกต้องตามกฎหมายซื้อไปขายมาเพียงแต่ว่าความความคิดของเราว่าเราซื้อมาแล้วเราจะขายได้มากขายได้น้อยนี่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้มีผลต่างกันถ้าเราไปประเมินว่าขายได้เราซื้อมาเยอะๆแล้วพอซื้อมาจริงๆขายไม่ได้นี่เราก็ขาดทุนได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรอบคอบคุณโรจนาครับคุณลอ e ไลฟ e Listener ฝรั่งถามว่าเรายอมให้หมอฉีดยาสุนัขหลับไปเลยจะบาปมากไหมครับเพราะสุนัขเขาเจ็บปวดทรมานมากๆโดยหมอแนะนำว่าไม่ควรให้เขาทรมานมากกว่านี้ครับขอขอบคุณครับคือชีวิตของใครมนเขาก็รักกันงนั้นชีวิตของเราเราก็รัก เช่นตอนนี้ถามฝรั่งว่าถ้าให้เราฉีดยาให้เขาตายใช่แต่ตอนนี้เขายอมตายหรือไม่เขายิง่งเขายังไม่ยอมเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าว่าเขายังมีความสุขอยู่เขายังไม่มีความทุกข์อยู่แต่ถ้าเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เขา อ, อาจจะอยากจะตายก็ได้ซึ่งความอยากตายตามหลักอุปัฏฐาศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นกิเลส ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยการฆ่าตัวตายหรือทำให้ผู้อื่นตายวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจก็คือต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ยอมรับกับความเป็นจริงของร่างกายว่ามันจะต้องมีวันที่มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บก่อนที่มันจะตายในช่วงที่มันเจ็บนี้ก็ต้องสอนใจให้รับกับความเจ็บนี่ให้ได้ ทำใจให้เพราะถ้ารู้จักวิธีปฏิบัตินี้สามารถทำให้ใจไม่ทรมาน ก, กับความเจ็บปวดได้แล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องฆ่าตัวตายสามารถปล่อยให้ร่างกายมันตายไปตามธรรมชาติของมันได้อันนี้เป็นหลักวิธีการของการปฏิบัติยังทำคุณเรานี่ถือว่าการฆ่าร่างายนี้ถือว่าเป็นบาปเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบางช่วงเราอยากให้มันตายแล้วไปคิดว่าไปฆ่ามันแล้วไม่บาปแล้วเรามาย้อนคิดว่าเราเวลาช่วงที่มันที่เราไม่ทุกกับมันนี่เราอยากให้มันตายหรือไม่ถ้าเราไปฆ่ามันแเราก็เราก็จะทุกข์อีกเพราะฉะนั้นการทําให้พูดตายเพราะเราไปคิดว่าเขาทรมานหรือว่าการที่เราคิดว่าการฆ่าตัวเราเพราะเราทรมานนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูก ตอนที่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีเครื่องมือใหม่ครับอาจารย์เข้าไปนอนแล้วกดปุ่มเดียวครับออกซิเจนจะลดลงจาก20 20เปอร์ซ็นตหลือศูนย์เลยครับแล้วครึ่งนาทีตายเลยครับอาจารย์ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เอาอะไมาอุดปากจมูกะนะตาตาต่างกันนะครับผ <c oughs> มแต่ยังไมันก็ทําทองประมาณเวลาจะตายเพราะไม่มีเพราะความถ้าต า, ายยังมีความอยากไม่ตายความอยากอยู่อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองจะคิดว่าตัวเองอยากจะตาย แต่ความจริงมันอยากจะตายเพราะมันอยากจะหีจากความทุกแต่พอ ม, มันเจอความตายเข้าจริงๆนี่มันมันก็ไม่อยากตายอยู่ดีแต่ตอนน้นมันก็สายไปแล้วตอนนั้นมันก็ต้องทรมาอยู่ดีคุณเป ต, ตองครับขออนุ ญ, ญาตสอบถามพระอาจารย์นะครับถ้าเรามีญาติที่ตายไปแล้วควร จ, จัดงานศพอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนามากที่สุดหรือตายแล้วควรจะเผาศพเลยครับก็แล้วแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของเรา แต่และบ้านก็อาจจะมีทำรรเนียมประเพณีแม่นเหมือนกันบางบ้านก็ตายปั๊บก็เผาเล ย, บ า, าเ บ, ายบางบ้านก็เก็บไว้รักษาคือให้พ้าสวดก่อนบางบ้านก็เก็บร้อยวันค่อยมาเผาก็แล้วแต่ขนรรมทำเนียมประเพณีเผาแต่และครอบครัวกันว่าเคยทําเคยทํากันมาอย่างไรก็มักจะทําตามซึ่งอย่างไรก็ได้ว่าร่างกายตายไปแล้วนี่ งานหลักก็คือการกำจัดร่างกายนี้ให้มันให้มันหมดสภาพไปเพื่อที่ได้แม่เป็นภาระของผู้อยู่เพื่อที่จะได้ไม่มาส่งกิ่นเน้นเรื่ออะไรต่างๆให้กับผู้อยู่ก็ต้องมีการกำจัดเหมือนกับขยะเนี่ยพอเราใช้ของเสร็จมันเป็นขยะเราก็ต้องเอาไปทิ้งร่างกายนี้เวลาตายก็เป็นเหมือนขยะวิธีจะกรรมจัดร่างกายนี้ก็แล้วแต่ แต่ละแต่ละสังคมก็ใช้วิธีกาจัดไม่เหมือนกันบางสังคมก็ฝังบางสังคมก็เผาบางสังคมก็สมัยโบราณเขาก็าไปทิ้งไว้ในป่าชา้าแล้วให้เป็นแนงอาหารของแนงกาแนงกาบครับคุณขอทางสงบใจครับการรัฐศาสการพระอาจารย์ค่ะตัวผู้สอบถามาามีกัลยาณมิตรผู้หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะมาคอยพูดให้ฟังว่า พระรูปนั้นไม่ดีไม่ชีคนนี้ไม่ใช่ของจริงตัวผู้สอบถามสนใจแต่การภาวนาขอพระอาจารย์โปรดให้คําสอนหรือหลักธรรมนะครับก็เวลาใครเขาพูดอะไรเราก็ฟังหูไวู้เท่านั้นเองยังไม่ต้องไปตัดสินว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่จนกว่าเราจะเห็นได้ด้วยตาของเราเองว่าเขาไม่ดีจริงจรงหรือดีจริงจริงเราก็ค่อยสนุบเอาแต่ถ้าเรายังไม่ได้เห็นกับตาของเราแล้วก็ฟังหูไว้ ไ, นะไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ต้องปฏิเสธครับคุณรอมมี่ครับกราบนมัส ก, การครับอาจารย์เมื่อคืนฝันเห็นมีร่างมานอนตายให้พิจรารณาร่างกายเป็นแล้วตายเหลือแต่กระดูกแปลว่าจิตปรุงแต่งหรือเจ้าคะได้จิตแล้วอาจจะสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ก่อนก็ได้ใครพิจารณามาก่อนก็ได้เป็นความจําที่ฝังอยู่ในใจของเราเพราเวลาเรานอน <c oughs> มันก็มีโอกาสที่จะพบขึ้นมาได้ คุณธีรติครับสอบถามผ้าจาย์ครับการนั่งสมาธิกับการเดินจงกรมต้องแบ่งทํามากน้อยอย่างไรครับชอบเดินจงกรมมากกว่าจะเดินอย่างเดียวได้ไหมครับเดินจงกรมนี่จะไม่ได้ผลดีเยวกับการนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวบางทีมันร่างกายมันก็ปวดเมื่อยก็ต้องมีการเปลี่ยนอแนวบทจากการนั่งมาเป็นการเดินพอเดินหายปวดหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ เพราะการจะเข้าสมาธิเข้าฌานได้ต้องอยู่ในท่านะดันงนั้นก็ถึงแม้ว่าจะชอบการเดินก็ตามต้องการให้จิตสงบเข้าเข้าสู่ความสงบได้แต่ที่นี้จำเป็นที่จะต้องนะนั่นรเราเดินจกนกระทั่งรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็เราหยุดเดินแล้วลองนั่งสมาธิต่อครับคุณเรวัตครับนั่งสมาธิแล้วขาเป็นเน็บชาต้องนั่งนิ่งๆต่อหรือขยับเปลี่ยนเท้าได้ครับ ถ้าไปขยับมันเข้าไปการเริ่มต้นใหม่วัาหนึ่งจิตออกจากส่วนที่มันเข้าไปเวลานั่งสมาธินี้จิตจะเข้าออกจะจะถอนออกจากร่างกายแล้วพอเราไปขยับร่างกายก็เราก็กลับมาหาร่างกายใหม่ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นศูนย์หน่อยเหมือนเราเดินถามออกจากบ้านไปได้สิบกิโลแล้วเราก็เดินกลับมาที่บ้านเพราะลืมลืมลืมปิดไฟก็กลับมาปิดไฟ แล้วกลับไปยี่สิบกิโลอา้าวรืมปิดแก๊สขับกลับมาอีกมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ถ้าเราต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็อยากไปสนใจบ้านมันจะไหมไฟจะไหมน้ําจะท่วมบ้านก็ะชางหัวมันตอนนี้เราต้องการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของเราการนั่งสมาธิก็เพื่อไปสู่สมาธิไปสู่ฌานดงนั้นเราก็ต้องทิ้งร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกาย ไม่ต้อไปขยับน้าการบางทีคิดว่าเอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปทางขวาบา้ากหลังงอมากอะไรนี่อย่าไปสนใจเมืเราเริ่มภาวนาให้อยู่กับภาวนาอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการมีลมอย่างเดียวมีอาการอะไรอย่างหนึ่งมาคอยครบกวนใจก็อย่าไปสนใจไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงจุดหบยรลายฐานคือการเข้าสู่ความสงบคุณชาตรีครับ อาจารย์ครับเป็นคนธรรมดาไปนิพพานได้ไหมครับได้ก็คนที่จะไปนิพพานก็เป็นคนธรรมดาทั้งนั้นต้องเป็นธรรมดาแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไนดะ้สร้างศีลให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นสร้างสมาธิให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตสร้างปัญญาให้ได้ร้อยเอร์เซ็นต์ก็ไปนิพพาน คุณนัตี้ครับสวัสดีค่ะคุณหมอกรรธน์ส ก, การพระอาจารย์อยากสอบถามว่าการที่ฝันทั้งแบบขณะนอนหลับและฝันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะเป็นผู้ที่ตื่นจากการฝันทั้งปวงได้อย่างไรคะและผู้ที่ตื่นแล้วจะมีลักษณะอย่างไรคะคือเวลานอนหลับที่เราไม่มีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราความคิดปรุงแต่งมันก็จะคิดปรุงแต่งแปลกลายเป็นความฝันขึ้นมาถ้าเนี่ย ส่วนที่ว่าเราจะเป็นผู้ตื่นจากการฝันน้ําปวดหน่ายอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาจนเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งต่ตางๆที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี่มันไม่ใช่ตัวเราของเราเลยมันเป็นธรรมชาติเป็นดินหน้ามุมไฟนี่เรียกว่าตื่นจากการฝันต้องปวด คุณเควินครับเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งคืออนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป บ, บังคับบัญชาไม่ได้จากการภาวนาอารมณ์ที่มีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง น, น, นั่นคือตัวสมาธิหรือไม่ครับอารมณ์ที่ยอมรับได้ก็คื อ, ก, คอก็คือตัวปัญญาปัญญาเป็นผู้สอนให้จิตยอมรับได้ถ้าถ้ารับได้ก็เลยเอาวิมุติหลดพ้นจากความทุกข์โดยอาศัย สมาธิและปัญญาเป็นผู้สอนให้ใจยอมรับกับความเป็นจริงแล้วเขาปล่อยวางได้คุณแดนซี่ครับดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่เจ้าค่ะผอาจารย์บางครั้งหูดหิดใส่เขาพอใจเย็นลงเบาเหนื่อยก็รู้สึกผิดไม่อยากหูดหิดใส่เขาเลยเจ้าค่ะก็คิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกเลยเวลาเด็กทารกมันก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็เลียกเด็กทารก เด็ ก, ากทารกบางทีมันก็รลาะมันก็ฉี่ไม่นก็อะไรก็คิดว่าคนที่คนที่ป่วยติดเตียงก็เหมือนเด็กทารกไปกแล้วกันเยาก็จะไม่ไปงงงงําคาญเลาก็จะไม่ไปหวังอะไรจากเขาเพราะเราคิดว่าเขาเข้าไเป็นเด็กทารกไม่รู้ภาษีภาษาแล้วคุณแพทย์ครับกลาวเปยนถามค่ะถ้าทุกอย่างไม่มีตัวตนการที่เราเฉยเมยไม่ใส่ใจต่อคนในครอบครัวเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมคะ ขอความกรุณาอธิบายบความแตกต่างของการเฉยเมยและการวางเฉยวงเล็บอุเบกขาด้วยค่ะคือการวางเฉยแบบอุเบกขานี่ก็คือใจเราไม่มีความทุกกับสิ่ ง, งตา่างๆที่เราที่เรารับดูหรือไม่มีอารมณ์กับสิ่ ง, งตา่างๆไม่มีความรักช้ำกลัวหลงกับสิ่ ง, งตา่างๆแต่เรายังมีหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันอยู่อันนี้ก็ ทำหน้าที่ไปแบบที่ไม่มีความรับฉาดชบตัวเราเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรก็ทำไปต่อบัวคนธรต่างเช่นเราต้องมีความเมตตาต่อทุกคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราต้องมีความสงสารถ้าเห็นเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็กวรที่จะช่วยเหลือเขาไปียังมีการปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนเดิม่ตามตรงที่ใจของเรานี่ ไม่วุ่นวายไปกับเขาไม่มีความรัดเขาเกียรติเขาไม่มีความกลัวเขาไม่มีความบอกว่าเขาเป็นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเราบอกเขาว่าเขาเป็นเขาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างที่เราอยากต้องมีการปฏิบัติต่อกันคุณเปตองครับขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์นะครับเวลานั่งสมาธิเราจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างไรครับ ถ้ดูที่ปลายจมูกเนี่ยมมันออกที่ปลายจมูกมันเข้าที่ปลายจมูกมันจะสัมผัสถ้าเราสังเกตดูมันเราก็จะรู้แต่ถ้าเรายังจับนมไม่ได้ก็ให้รู้ว่ามันดูที่หน้าท้องก็ได้เวลาหายใจเข้าเราจะรู้สึกว่าท้องผอมขึ้นเวลาหายใจออกหน้าอกหรือหน้าท้องเราก็จะยุบเข้าไปก็ได้งั้นถ้าดูที่ปลายจมูก ounded, 000, did, ator, pues, ไม่ได้ก็ดูที่หน้าท้อง อ้ายังดูไม่ได้แสดงว่าส ต, ติเรายัางมีไม่มากก็อาจจะนั่งสวด ม, ม น, นต์ไปก่อนแล้วนั่งบริกรรมมุทโธไปก่อนจนกว่าที่เราจะสามารถสัมผัสรับรู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกได้เราก็ค่อยกลับมาดูล ม, มที่ทปลายจมูกต่อไปคุณแหมมครับในระหว่างวันที่เราทํางานเราจะแทรกการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรบ้างคะก็เวลาที่เราไม่ต้องทํางานเนี่ย เช่เวลาพักกางวันนี้ถ้าเรารับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงเรายังมีเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่เราก็เอาเวลาครึ่งชั่วโมงไปหาหมุมสําหรับนั่งอยู่คนเดียวอาจจะไปนั่งในห้องน้ำก็ได้ถ้ามันหาที่นั่งไม่ได้ในที่ไหนที่ไม่มีคนมาบรบกวนเราล้วก็ไปหาหมุมสำหบอาจจะมีห้องที่เขาไม่มีใครเข้าไปใช้ก็เราเข้าไปนั่งในห้องนั้นก็ได้ ้วถ้าเราเป็นผู้บร <by> ิหารนี่เขาห้างทำงานของเราก็ยุ่ดี่งพอเรารับประทานอาหารเสร็จเราก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งหลับตาดูลมหายใจนั่งสมาธิไปคุณชนินครับอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าสุขในฌานสุขในน th ิพพานาสุขในนิพพานมีอาการอย่างไรครับก็สุขเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่มีความท้าวรไม่เท่ากัน สุกในฌานนี้ก็จะเป็นสุขเป็นพักๆไปขณะที่เข้าฌานขณะที่จิตอยู่ที่ปรงแต่สุกในมิตรศาสนาก็คือสุขที่เกิดจากการมีมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ไหว้วางเรื่องราวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจ ก, ก็มีความสง บ, บแต่ก็ยังเป็นเรื่องๆไปส่วนสุขแบบที่พาดนี้คือเป็นความสุขอย่างถาวรตลอดเลา ไม่มีความทุกข์กำเนิดใดเพราะได้กําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจด้วยด้วยด้วยฌานแล้วด้วยวิปัสสนาคุณแสงวุฒิแสงวุฒิครับารการพัฒนาการครับอาจารย์อยากเรียนถามว่าบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นจะได้บอกคุณแม่บอกจะได้บอกคุณป้าด้วยเพราะแกไม่ได้หนังสือเพื่อจะได้ฝึกจิต ด, ด้วยขาดการพัฒนาการครับก็สวดไอทิปิโสไปนะอันนี้สอทิปิโสภัควาสวดพระพ พุทธคุณธรรมคุณนัสสังคคุณไปเพื่อจใช้สั้นกร น, นั้นก็พุทธทางสวรรังกระชามิธรรมมังสวรรังประชามิสามคั้งสวรรังกระชา ม, ชามิแล้วก็นอนเอาแค่ okay. สามตัวนี้ก็ได้ครับคุณชวีวันครับจิตประพัดสอนนิวรณคือจิตแบบไหนขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเพื่อรู้เจ้าค่ะครับว่าประพัดสอนก็นคือสว่างสวัย จิตที่สว่างสวายนี้ก็คือจิตที่สงบที่เกิดจากการได้ชำระกิเลสระดับกางมรรมาลงต่างๆนี่ก็เป็นจิตของพระอนาคามีจิตประพัดสอนอแต่ยังไม่ถือว่าเป็นจิต ท, ที่บริสุดยังไม่เป็นนิพพานก็ยังมีสังโยชน์ที่ละเอียดอีกห้าตัวที่ยังไม่ได้กำจัดเพีแต่ได้กำจัดสังโยชน์ที่เกี่ยวกับก า, มางมรรคเกี่ยวกับทางร่างกาย ส่วนิวรันคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการทําจิตให้สงบมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันคือการมาฉันทะเนี่ยยังมีความอยากเสกการมนั่งสมาธิไปตป้องอยากจะดูหนังแล้วอยากจะฟังเพลงอยากจะดื่ ม, ม, ม, มเครื่องดื่มอย่างนี้เรียกว่ามีนิวรันแล้วทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้อันนี้เรีว่านิวรันมีอยู่ห้าการมาฉันทะเนี่ย สองอวิจิกิจฉ้าความลังเลยสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้ามาไอ้นั่สมาธิแล้วจิตจะมีความสุขจริงหรือไม่บางทีลังเลยเลยคิดว่าไม่ไม่น่าจะได้นะก็เลยไม่อาจจะไม่อยากจะนั่งกนะ็ะไรนิวรณ์แล้วบางทีก็นิวรณตัวที่สามก็คือความโกรธบางทีโกรธใครมาตั้งแต่เชานะ้าแล้วยังไม่ลืมเวลานั่งสมาธิก็นึกถึงเขาขึ้นมาก็โกรธ ก็ไม่มีกจิกกระจายที่อยากจะนั่งสมาธินะครับตัวที่สี่ก็คือความฟุ้งซ่งานคือไม่มีสติคอยควบคุมความคิดนั่งสมาธิแทนที่จะดูลองก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วตัวที่ห้าก็คือความง่วงเหงาหามนอนบางที่นั่งแล้วพอเริ่มดูลองหรือพุดโทได้สองสามคำก็เริ่มสับประหนกเริ่มหามขึ้นมา เนี่ยบางนิวรณ์คืออุปสรรคที่ขวางการการทําจิตให้สงบนั่นเองคุณสุภกรครับถ้าเราเป็นแม่ครัวในร้านขายเหล้าขายเบียร์เราจะเป็นสะพานนําเขาไปในทางอบายมุขเราต้องไปใช้กรรมในชาติหน้าไหมคะไม่เราเราเป็นแม่ครัวเราก็ขับกับข้าวของเราไปนะส่วนคนขายเหล้าก็ เ, าเป็นเรื่องของเขาไป คุณทรงศักดิ์ครับกลับเรียนพระอาจารย์เมื่อพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ต้องทิ้งความสุขทุกชนิดเพื่อเข้าสู่ความสงบเย็นไม่เกิดปรุงแต่งใดๆรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันกิเลสที่ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่สามารถปรุงแต่งให้เกิดได้ผู้ที่มีพานจึงมีกแต่ความสงบเย็นถูกต้องไหมครับถูกต้องคุณนันทิพรครับลูกอยากบวชถือเป็นการติดยึดไหมหเจ้าค่ะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาน้องกลับครับ อ๋อเป็นการติดยึดในสิ่งที่ดีที่มีคุณประโยชน์เหมือนกับการติดยาติดยึดกับหมอกับยานี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะเอามาใช้รักษาโรคภายแค่ยึดได้การยึดติดอยู่กับการปวดก็เหมือนเหมือนกับการอยากจะไปรักษาจิตใจที่โรงพยาบาลการปวดนี้ก็วัดนี้ก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลของจิตนั่นเองถ้าอยากจะรักษาจิตให้หายน เซนจี่ก็ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกับเวลาเข้าการรักษาร่างกายรักษาที่บ้านมันอาจจะไม่พอเพียงเครื่องไม้เครื่องมืออย่ยาไม่พร้อก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลกันการยึดติดแบบนี้เป็นการยึดติดในสิ่งที่ดียึดติดในสิ่งที่จะช่วยทําให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์นี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสถือว่าเป็นทรรมคนไปเลยถ้าคิดถึงอยู่ตลอดเวลาทําคิดอย่างเดียวคิดแล้วก็ต้องไปนี่สิ เมื่อไร่จะไปทักทีล่ถามตัวเองดนะ้วยมีอะไรเป็นสิ่งที่คอยเดี๋ยวล่ามเราไม่ให้เราไปาทักทีคุณทิพรวรรณครับขออนุ ญ, ญาตถามคะระอาจารย์เวลาเราทําบุญต่างๆแล้วจิตเกิดปิติอินดีในบุญนั้นเวลาเรานอนหลับแล้วเกิดเห็นบุญที่เราทาค่ะก็มันฝังอยู่ในใจเราท่านนังบอกว่าคนที่ทําบุออน ญ, ญนี่จะนอนหลับฝันดีจะไม่ฝันได้เพราะทําแต่สิ่งที่ดีนั่นก็มันก็ถูกบันทึกไว้ในจิต เวลานราหลักมันก็เอามาใช้เหมือนภาพยนตร์มันเราไปถ่ายวีดีโอตามสถานที่ต่างๆเวลาเรากลับมาบ้านเราก็เอามาใช้ที่บ้านต่อได้ดูได้อ๋อเราไปทำนู่นทํานี่ฉันใดถ้าเราไปทําบุญเราก็จะฝันดีถ้าเราไปทํำบาปเราก็จะฝันร้ายเพราะมันจะจูกบันทึกไว้ในจิตของเราแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาเลยเป็นความฝันเวลาที่เรานอนหลับนั่นเองคุณมารุธครับ วิธีทําบุญให้ผู้ที่ตายแล้ววิธีไหนดีที่สุดครับก็วิธีทําทานเนี่ยทําบุญถวายทานเสียสละแบ่งปันจะทํากับพระ ก, ก็ได้จะทำํำความจริงทากับใครก็ได้ทางศาสนาทางความเชื่อเขามาักจะเชื่อว่าต้องทํากับพระถึงยัะส่งบุญไปได้ส่งบุญไปถึงถ้าทํากับคนทำกับสัตว์นี่อาจจะไม่ได้บุญเท่าที่ควรแต่ผู้ตามหลักธรรมนั้นมันก็ เหมือนกันนะีเพราะมันเป็นการเสียสละเท่ากันเสียสละเงินน้อยบาทใส่บาทเลือเสียสละเงนน้อยบาทเพื่อให้คนป่วยเรือกคนยากจนที่ไม่มีข้าวรับประทานมันก็เป็นการเสียสละเท่ากันความสุกที่เกิดจากการเสียสละมันก็เท่ากันคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นะครับเวลาเราไหว้เจ้าที่เทพเจ้าเทวดาเราควรไหว้ตรงคุณธรรมที่ทําให้ไปเป็นเทวดาใช่ไหมครับ ก็ไม่รู้เหมือว่าไปทําไมคืออาจจะว่าเพราะว่าเราเคารพว่าเขาเราถือว่าเขาสูงกว่าเราก็ได้เหมือนกันเราไหว่พ่อไหว่แ ม, ม่เพราะเราเคารพว่าท่านสูงกว่าเราท่านมีบุญคุณกับเราไหว้เทพเพราะว่าสถานภาพาของเขาสูงกว่าเราก็ได้ว่าเราเป็นมนุษย์เขาเป็นเทพคุณแอมครับกราบนพัธ ก, การพระอาจารย์ค่ะหนูเป็นกุมารแพทย์ ตอนนี้ดูแลคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ที่บ้านแบบพาเลทีฟแคร์รบกวนขอข้อคิดทางธรรมเพื่อการจากไปอย่างสงบสุขของคุณแม่และเพื่อให้สมาชิกครอบครัวผ่านช่วงเวลายากลําบากไปได้ค่ะก็พยายามทำให้คุณแม่มีความสุขอย่าไปขัดใจอย่าไปฝืนบังคับคุณแม่ถึงแม้ว่ามันอาจจะขัดกับการรักษาพยาบาล คือบางครั้งคนป่วยไม่อยากจะรักษาพยาบาลแบบนั้นเราก็อยากไปบังครับท่านถ้าท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะกินอาหารก็อยากไปบังครับท่านถ้าท่านไม่อยากจะกินยาก็ไม่ต้อไปบังครับท่านเออเรามีหน้าที่คอยสนับสนุนความต้องการของท่านในเวลานั้นอย่าให้ท่านทุกกับการดูแลของเราเพราะเดี๋ยวไม่ไม่ช้าก็เร็วท่านก็ต้องตายอยู่ดี ดูแลท่านเพื่อให้ท่านมีความสุขอย่าดูแลท่านแล้วทำให้ท่านทุกข์เพราะเราไปคอยบงังคับให้ท่านทำตามตามหลักการรักษาพยาบาลซึ่งบางครั้งคนคนไข้ไม่อยากจะรักษาพยาบาลแบบนั้นก็ได้บางทีเขาก็อยากจะปล่อยให้ร่างกายตายตายไปอย่างนี้ไม่เป็นการฆ่าตัว ต, วตวายการไม่รักษานี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายนั้นก็พยายามอย่าไป สร้างความทุกข์ให้กับท่านโดยความหวังดีของเราบางทีหวังดีของเราแต่ประสงค์ร้ายทําให้ท่านลาคาญเบื่อเราล้วเจอหน้าเราท่านก็อยากเดียวหนีล้ละเพราะว่ามาหีกราสมาบังคับให้เรากินยาครับมาบางค้าให้เราลุกขึ้นไปเมื่อท่านไม่ต้องการที่เราลุกก็อย่าไปบังคับใหท่านลุกท่านอยากจะนอนก็ปล่อยท่านนอนไปท่านอยากจะทําอะไรก็ปล่อยท่านทําไปชีวิตของท่าน เราเป็นเพลงแต่เปผู้มีหน้าที่คอยสนับสนุนท่านนั่นเองผมกอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเอผมคุณจิมครับก ร, ร, ราบธรรมส ก, การขอรับกับผมเป็นพระบวชใหม่อยากทราบ ว, ว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไปสู่นิพพานแล้วยังกลับมาสื่อสารกับลูกศิษย์ในนิวิทได้แต่จิตที่เป็นนิพพานคือไม่อยู่ภายใต้กฎตายักแล้วพ้นแล้วจากสภาวะทั้งปวง อย่างนี้จะสื่อสารได้อย่างไรขอรับกราบความเมตตาพระอาจารย์สุชาติเป็นอย่างสูงครับก็สื่อสารด้วยกระแสจิตของท่านประหลาดจิตของท่านจิตนี้เป็นที่พานแล้วไม่ได้มายความว่ากลายเป็นจิตอัมาภาสไม่สามารถทําอะไรต่างๆได้จิตชอนท่านก็ยังทําได้จิตของท่านก็ยังสามารถที่จะส่งกระแสจิตไปสัมพันธ์รับรู้กับจิตของผู้อื่นได้เพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีเหตุที่ทําให้ท่านเท่ามาส่ง เท่า น, นั้นเอเพราะว่าจิตที่นิพพานส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตที่นิ่งสงบไม่มีการทําอะไรแต่อาจจะมีกรณีบางกรณีที่อาจจะไปทําให้ท่านยังมีความมีความสนใจอยากจะดูว่าคนให้คนนี้ที่ท่านเคยมีความรู้จักนี่<ม>อยู่ในสภาพไหนอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือเขาได้ไหมทำทํา ถ้าคิดว่าช่วยเหลือได้ท่านก็อาจจะส่งกระแสจิตไปหาเขาก็ได้ถ้าเขาอยู่ในสถานะที่จะสามารถรับกระแสจิตของของผู้อื่นได้เน่หมวงปูมั่นท่านก็บอกว่าท่านก็มีพระพุทธเจ้าพราหลานมาสนทนาธรรมกับท่านอยู่เลยเลยนี้ไม่ทราว่ญญาจะปฏิเสธนี้ได้หรือไม่ก็ไม่รู้พราะท่านก็เป็ น, ป น, ป น, ปนครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีศัตวิ์ ท่า่อไม่ได้พูดเพื่อที่จะห า, า, า, าราภเพื่อส่งเสริมใจตัวท่า น, ท, านท่านก็อาจจะพูดตามความเป็นจริงเพื่อให้เราเข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรเพราะธรรมที่เราอา่านเราศึกษานี่บางทีเราไปแปลความหมายของเราแบบผิ ด, ผดเองครับคุณอาริกะครับน้อมกับาอาจารย์ค่ะโยมขอความเมตตาจากพระอาจารย์ขอคำแนะนำในการปฏิบัติภาวนา โยมนั่งดูลมหายใจเข้าออกดูวิตกวิจารณเกิดดับผ่านไปเรื่อยหลังจากนั้นจิตจะทรงอยู่นิ่งโยมก็นั่งดูความนิ่งนั้นไปเรื่อยแต่ได้ไม่นานจิตจะรู้สึกเบื่อค่ะเบื่อความไม่มีอะไรเบื่อความนั่งนิ่งนั้นนิ่งนั้นแล้วก็ถอนออกมาค่ะเข้าไม่ถึงปีติสักทีค่ะโยมจะต้องทําอย่างไรคะจึงจะสามารถน้อมนําจิตให้ผ่านจุดนี้ไปได้คะกล่าบสาธุพระอาจารย์ค่ะใช้ดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปสนใจดูอย่างไรดูไปเรืเ่อยๆ เพราะความนิ่งนั้นยังเป็นความนิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความความจิงนิ่งที่แท้จริงถ้าเป็นความนิ่งที่แท้จริงนี้จะมีความสุขมากที่จะบอกว่าไม่มีความสุขอันใดเหนือกับความสุขที่เกิจดจากความสงบนิ่งของจิตแสดงว่าเราอยากไปไม่ถึงจุดนั้นงั้นอย่าไปดูวิตกดูวิจารณ์อยู่ไปดูการเกิดดับของวิตกวิจารณ์ให้อยู่ดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่างเดียว เมื่กว่าจิตจะเข้าสู่สมาธิแล้วมันจะนิ่งอย่างแท้จริงแล้วจะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นมาสะท้านใจต่อความนิ่งของจิตตามภา ว, าวนายังไม่ถูกนต้องดูลมหายใจอย่าไปดูวิจกวิจารที่เกิดขึ้นในขณะที่ดูลมหายใจคุณสีหิมาครับ คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้รักษาสินแปดเนื่องจากเกรงว่าจะไม่สบายจากการกดอาหารเย็นจึงรับปากเพราะไม่อยากให้เขาไม่สบายใจแต่วันนี้ยังแอบรักษาสินแปดอย่างนี้สินสมบูรณ์ไหมคะถ้าโกหกเพื่อให้เราได้ะทําสิ่งที่ดกีก็ถือว่าไม่ไมไมเสียหายตรงไหนถ้าโกหกเพไปทํำบาปนี่ก็ถึงจะได้ว่าเสียหาย ค, คือกินข้าวเย็นแล้วก็ไปบอกเขาว่าไม่ได้กินข้าวเย็น อย่างนเสียหายแถ้ากหกเขาว่าเรากินข้าวเย็นแต่เราไม่ได้กินนี้ไม่เสียครับเป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายคุณเควินครับนับนับถามพระพระคุณเจ้าครับการสูบุหรี่ผิดศีลหรือไม่ครับ <c ười> เคยเห็นพระสงฆ์หลายรูปสูบุรี่ไม่ผิดครับพระบุหรี่ไม่ได้ทําให้ไม่ไม่ได้เป็นของมึนครับ ที่ห้ามนีห้ามให้เสพในสิ่งที่ทําให้เกิดอาการมึนเมาแล้วควบคุมคาการกระทําไม่ได้แต่การสุบวเหรีเลย้ยังสามารถควบคุมคาการกระทำอะไรต่างๆได้ตามปกติทางทางศาสนาไม่ถือว่าผ mm ิด hmm. สุขได้เพียงแต่ว่าสมัยนี้เรามีการต่อต้านการสุขบเหรีเนื่องจากว่าสุขกันมากเกินไปสุขกันวันละซองสองซ อ, องนี่มันทําให้เกิด คามเสียหายต่อสุขภาพาาร่างกายกลายเป็นภาระของโรงพยาบาลของแพทย์ที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาเขาก็เลยพยายามวนารงไม่สูบบุหรีกันเลยใครไปตากบุหรี่มวนสองมวนขึ้นมาก็เลยกลายเป็นตาบากขึ้นมาทันทีซึ่งความเสียงแท้สุดพอประมาณที่ไม่มีคนมาเที่ต่อร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสูดได้อย่างหลวงปู่มัน่นตามประวัติที่ได้ไ ด, ได้ได้ยินได้ฟังมาหลวงปู่ม่นวันหนึ่งแท้งสุบประมาณสองสามวน แท่านก็จะสูบถ้าถ้าหลังจากฉันฉันฉันอาหารฉันจ้าหารฉันอาหารเช้าเสร็จท่านก็นั่งสูบมวนแล้วตอนบ่ายท่านเดื่มน้ําชากาแฟท่านก็ชั้นมวนจ้างก็สูบมวนหนึงตอนค่ำตอนเย็นท่านก็สูบอีกมวนหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเป็นการทําไปตามนิสัยของเดิมของท่านที่ท่านไม่ได้ละแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติด หมาความว่าถ้าเกิดไม่มีบุญิท่านก็จะไม่เดือดร้อนและบุญิที่ท่านสูบก็ไม่ได้เป็นบุญิที่ท่านสั่งหามาเป็นสิ่งที่ก็นํามาถวายให้กับท่านต้องเข้าใจว่าท่านไม่ได้ติดท่านก็เห็นว่ามันมีอยู่ท่านก็สมัยที่ท่านยังไม่ได้เป็นต้าหลานท่านก็เคยสูบท่านก็เองเห็นว่ามันมีอยู่ก็สูบมันไปตามตามภาษาของขันขันร่างกายมันก็ยังเคยมี อวาพอใจมีความอะไรของมันอยู่กับการสุดถ้าก็าสุดไปอย่างน้องตามมาบัวท่านก็เคี้ยวหมาครับแของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นธรรมเป็นสิ่งเป็นของหมื่นเมาแล้วก็ไม่ท่าก็ไม่ท่านก็ไม่ได้เสพแบบเป็นเป็นยาเสพติดก็ไม่ได้ติดถ้าไม่มีเสพท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็ไม่เสจท่านก็ไม่สุดไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคี้ยวหมา คุณเลิศพิสิทธิ์ครับการรับชการครับการวางอุเบกขากับการไม่ใส่ใจอะไรเหมือนหรือต่างกันเราจะวางจิตกับ ก, บการดำเนินชีวิตประจําวันยังไงครับเราต่างกันการมีอุเบกขานี้ใส่ใจกับทุกเรื่องนะด้วยปัญญาเพียงแต่ว่าไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราใส่ใจด้วยเพียงแต่ใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผล่ถึงเวลาต้องทํางานแล้วนะั้นถึงเวลาต้องตาบ น, าน้ำนะั้นถึงเวลาต้องทําอะไรก็ทําไป แต่ใจไม่มีความรู้สึกรังเกียจหรือดีใจกับการกระทำเหล่านั้นทําไปตามเหตุตามผลตามหน้าที่คุณชนินครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ทุกสิ่งมีคู่หรือด้านตรงข้ามกันถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เป็นด้านตรงข้ามของอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรเป็นคุณธรรมข้อใดครับกล่าวรัตสการครับก็สิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้กันเช่นลาภหรือสารเสวนสุดเนี่ย เราไปมองว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตานะครับจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาท่านั้นเองถึงต้องมีอนิจจังทุกขังอัตตามาแก้ความเห็นของเราที่เราไปเห็นมันว่าเป็นปนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองคุณอารยาครับกาลนิมัสการพรนะอาจารย์เจ้าขาที่บ้านปลวกขึ้นมีคนแนะนําให้ให้วางเหยื่อล่อเพื่อให้ปลวกตายจะผิดสี่งข้อหนึ่งไหมเจ้าคะ ถ้าเราให้มันตายตามให้มันตายก็ผิดเสียงแต่ถ้ากันไม่ให้มันขึ้นลงได้มันก็ไม่ผิดเสียงเห็นถ้าเรามีน้ำมันหรืออะไรเราก็ไปเบื้องต้นก็กวาดตัวมันออกไปก่อนแล้วก็เอาน้ำมันลาดหรือว่าเอาน้ำมันชุบผ้าระหว่างไว้ตรงทางที่มันจะขึ้นลงเองพอมันมามันมันจะขึ้นลงว่ามันได้กินน้ำมันมันก็อาจจะมันก็อาจจะถอยไปไม่ขึ้นอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ ่ทางวัดนี่กุตานุตินี้มักจะมีผ้าท่านมักจะใช้ผ้าชุบน้ํามันเครื่องแล้วก็มันไปตามโคนเสาพอพวกยุบพวกมดพวกแมลงอะไรต่างๆที่ด้วยการพอมันด้วยการขึ้นมาพอมันเจอกลิ่นน้ามันเครื่องมันก็ถอยไปมันก็มันก็ไม่ขึ้นทํากันได้แต่อย่าไปทําให้มันตายคุณน้าพริกครับ ถ้าเราทําให้คนตายเพราะความโลภแล้วเวลาผ่านไปเรามาสํานึกได้เราจะถูกกรรมลงโทษไหมคะเ อ, อมันอันตโนมันตจะสํานึกไม่สํานึกก็เมื่อทําทําเข้าตายแล้วสักวันนึงก็ต้องถูกเข้ามาทําให้เราตายบ้างแต่มันนานยังไม่นานมันยังมาจจะนานกว่าที่เราจะจาได้ก็ได้ถึงเวลานั้นก็เราก็รู้ไว้ทําไมเขามาทำหรอว่าเราถึงแบบว่าเมื่อก่อนเราไปทําเข้ามาก่อน คุณพา ร, รัตครับการน้ำมัสการพระอาจารย์ครับเมื่อสูญเสียในสิ่งที่รักต้องทําใจยอมรับความจริงอย่างไรว่าทุกอย่างมีเกิดมาและดับไปแล้วไม่ให้เสียสติครับก็เนี่ยหละก็ต้องมีสตินำไปควบคุมจิตให้มีสติให้จิตกวบมีสติก็ควบคุมเจิตให้นิ่งเฉยเฉแล้วก็จะรับความจริงได้อย่างไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีสตินี่จิตจะเฟื่อี้เล็ดจะไม่ยอมรับความจริงยังอยากจะ ให้สิ่งที่สูญเสียไปไม่สูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในการฝึกสตินี้สาคัญมากในการที่จาใช้ในการควบคุมจิตเวลาที่ต้องยอมรับความจริง ถ, ถ้ารู้ว่าความจริงแบบ น, นี้แต่ถ้าไม่มีสติก็รับไม่ได้ก็จะทุก คุณพีชครขอการเบียนถามครัเวลาไปปรีดเวกในที่น่ากลัวเคยได้นินว่าเทวดาจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมจริงหรือไม่คะคือขึ้นแลแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติดีปฏิบัตดิดีปฏิบัติตตชอบหรือไม่เป็นผู้ที่มีความเมตตาหรือไม่ถ้ายัางไม่มีความเมตตาหรือก็ยัอยงอาจจะไม่มีเทวดาคุ้มครองก็ได้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าพอไปปฏิบัติธรรมปุ๊บจะเทวดาจะมาคุ้มครองทันทีถ้าเรายังไม่มีความเมตตาราเริ่มปฏิบัติธรรมนี้มันก็ยังไม่มีเทวดามาคุ้มครองเราเทวดาคุ้มครองผู้คนที่เป็นคนดีจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มมาเป็นคนดีเทวดาเขายังต้องสองจิตสองใจเลยก่อนให้มันจะดีจริงหรไมต้องลองดูไว้ก่อน คุณเจครับศึกษาธรรมของอาจารย์สุจินอยู่มีลักษณะคล้ายคลึงกับของพระอาจารย์สอนอยู่ในขณะนี้แต่อาจารย์สุจินบอกเราไม่สามารถจะข้ามขั้นไปปฏิบัติถ้าไม่สามารถรู้และเข้าใจปฏิเวทอย่างมั่นคงเพราะถ้าไม่สามารถงามในเบื้องต้นได้จะไม่สามารถข้ามขั้นไปงามในท่ามกลางในงามในเบื้องปลายได้เลยอุปทานเหมือนเราไม่สามารถให้เด็กหมอปมลายมารักษาผาตัดคนไข้แบบหมอได้ทุกอย่างถูกต้องตรง ไม่สามารถข้ามขั้นได้เลยรู้สึกสับสนอยากขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจริงๆเราควรเริ่มภาวนาดีไหมคือการขั้นตอนของการเข้าถึงนี้มันถึงธรรมนี้มันมีอยู่สามขั้นตอนเลยครับขั้นตอนแรกท่านเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาศึกษาว่าวิธีทีเข้าถึงธรรมนี้นเข้าอย่างไรพระอาจาบอกเขาต้องเข้าด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เนี่ยเราก็ต้องพอเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะเข้าสู่ธรรมคือวิมุตติธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเราต้องมีศีสมาธิปัญญาเมื่อรู้แล้วเราก็ไปสู่ขั้นที่สองคือปฏิบัติเราไม่มีศีเราก็ต้องรักษาสีลไม่เคยรักษาสีนหน้าก็เรารักษาสีลหน้ารักษาศีนหน้าได้แล้วก็เราหัดรักษาสีแตกว่าการที่จะ ไปภาวนาไปมีสมาธิได้มีปัญญาได้นี้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนการก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดนี้จะสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิและปัญญาพละศักดาศีลแปดนั้ก็จะมีเวลาไปเจริญสมาธิเจริญสติต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิแล้วปฏิปฏัญญาถึงจะปรากฏขั้นที่สามขึ้นมาคือปฏิเว ดีิเวกก็คือการผลที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ทราบว่าเวลาไปฟังมาอาจจะฟังแบบไม่เข้าใจก็ได้คือมันสารขั้นตอนนี้ข้ามไม่ได้มันเป็นมันเป็นลูกโซ่อ่ะมันเป็ น, เ ป, นเป็นขั้นบันไดถ้าคนไม่ศึกษาคนจะไม่รู้ ว, วิธีปฏิบัติที่ถึกตั้งเป็นอย่างไรเมื่อคนไม่รู้มันกาไปปฏบิบัติแบบสม 4, สี่สมห์ผลมันก็ไม่เกิดเนื่องเกิดแบบไม่สมบูรณ์ก็ได้ ปฏิเวทม่สมดุราะฉนั้นขั้นตอนของการเข้าถึงธรรมนี้ต้องเข้าด้วยขัานแรกปริยัตศึกษามาศึกษาแล้วก็นํามาสิ่งที่เราเรียนรู้ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่กาสุปฏิปันโนแล้วเราก็จะได้ปฏิเว ท, ดทได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงพระอริยบุคคลสี่ระดับด้วยคันพระาจารย์ครัแต่ป ร, ปริยัติกับปฏิบัตินี้เราก็ทําไปพร้อมเพียงกันเลย ได้ไม่ต้องแยกกันครัก็มันมันง่ายเนี่ยปริญญาสั้นๆถึงรเราคนเข้าใจผิดว่าต้องไปเรียนพระต่ายพุทธต้องไปเรียนบานลีอะไรต่างอันนั้นมันเกินไปมันไม่มีความจำเป็นที่้องไปเรียนให้เรียนรู้ว่าศิลมีอะไรแล้ ว, แ ล, วแล้วนํามาไปปฏิบัติให้ได้ให้เรียนรู้ว่าวิธีนั่งสมาธิทํำยังไงแล้วเวลาสงบสงบอย่างไรถึงเป็นสมาธิแล้ววิธีจเจริญปัญญาจเจริญอย่างไร ให้พิจารณาใจรักนี่ไงตอนอย่างที่ท่านทั้งหลายมาฟังกัวนวันนี้ท่านกําลังปริญัติกันอยู่กำลังศึกษากันอยู่เมื่อศึกษาแล้วขั้นต่อไปท่านก็ต้องนําออกไปปฏิบัติครับรักษาศีลกรนําสมาธิกัพนพิจารณาให้มองทุกอย่างว่าเป็นของไม่เทียมเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้เขาเทียมอยากจะให้ สั่ได้เราก็จะทุกข์เพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะปล่อยวางเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องครับเขาไม่เที่ยงก็เราปล่อยเขาไม่เทียมเพราะเราควบคุมสับเขาไม่ได้เราก็อยากไปสั่งเขาใจเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็ปฏิเวทครับเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนที่เมื่อกี้เราไปสั่งก็ได้ไปควบคุมบังคับก็ได้แต่ยิ่งพยายามไปควบคุมบังคับยิ่งพยายามไปสั่งยิ่งทุกข์ใหญ่กินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่พอมองด้วยปัญญาเราไปสั่งเขาไม่ได้นะเขาจะเป็นยังไง เ, เขาก็ต้องเป็นลงไป้ขาของเขาตามนิยมเขาแล้วก็หยุดหยุดไปสั่งเขาไว้เขาเป็นไปตามนิยมเขาแล้วก็หายทุกข์ขึ้นมาอันนี้ปฏิเวทเวลาทุกข์ดับนี่เรียก ว, ว่าปฏิเวทเกิดขึ้นและผลผลของการปฏิบัติ ก, ก็คือการดับของความทุกข์ต่างๆ คุณดวงตาครับกราบพระอาจารย์ขออธิษฐ์เเตตาอธิบายอธิสง์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือที่เขาจะนำไปค่าค่ะสาธุค่ะก็คิดถึงถ้าเราเป็นครูเป็นกระบือว่าถ้าเกิดเราถูกศา์ตัดสินประหารชีวิตแล้วมีพระราชทานอภัยโทษให้กับเรานี่เราจะรู้สึกอย่างไรอันอย่างนั้นะคือเราไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่านั่นเอง ให้เขาได้มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาจารย์ครับขออีกสักคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณทีระครับกราดรมัมสกานครับตามที่พระอาจารย์เคยกล่าวว่านรกสวรรค์อยู่ที่ใจแล้วชั้นพรหมอยู่ใจเหมือนกันใช่ไหมครับอยากให้พระอาจารย์ขยายความเรื่องสวรรค์นรกพรหมและพวกเปรตอสุรกายมีจริงไหมครับคือสวรรค์นี่มันมีหลายระดับเนีเหมือนนองแดงมีระดับหนึ่งดาวสองดาวสาดาวสี่ดาวห้าดาว สวรรค์ก็มีสวรรค์ชั้นเทพสวพรรค์ชั้นพรหมชั้นพรหมก็แบ่งเป็นสองชั้นนันสองระดับรูปประพรมกับรูปประพรมความสุขมีต่างกันยิ่งสูงยิ่งมีความสุขมากขึ้นชั้นเทศก็มีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันความสุขแต่ละชั้นก็มากน้อยลดหลั่นไปตามตามลำดับเกิดจากการทำบุญชั้นเทศก็เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาสี่ง ฉันพรหมเมื่อเกิดจากการฝนั่งสมาธิเข้าสู่ชานขั้นต่างๆเข้าสู่รู ป, ปรชานเข้าสู่รูปฌานก็จะเข้าไปสู่พรมระดับรูปกับพรมระดับอรูปฌานอารูปประพงส่วนในโลกนี้ก็เป็นเป็นระดับของอบายอบายนี้ก็แบ่งไว้เป็น4ระดับด้วยกันพบที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขนะก็เริ่มตอนที่เดราาัจฉาน ไปเกิดเป็นสารเดรลชานเพราะพวกนี้จะทำบาปกันนั้นบาปมากบาปน้อยต่างกันเป็นเดรลชานแล้วก็หนักกว่านั้นก็ไปเป็นเป็นเปร التي, หนักกว่านั้นก็ไปเป็นอสุรกายถ้าหนักกว่านั้นก็ไปเป็นนรกคือสภาพความทุกข์ของจิตใจของแต่ละดับนี้มากน้อยต่างกันนั่นเองมากที่สุดก็คือนรกลงลมาก็คืออสุรากายลงลงมาก็คือเปรลงลงมาก็คือเดลชาน นี่คือสภาพจิตของผู้ที่ทำบาปเวลาตายพระราชาจะต้องไปเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้าทําบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดาชามีความไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ยถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตอันนี้จะทุกด้วยความหิวโหยเพราะเปรตที่มันจะมีแต่ความหิวความอยากความต้องการไม่มีมันสอบสิน้นทําบาปด้วยความโลภเนะี่ย มาทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอะสุระกายทำบาปด้วยความกลัวด้วยความอาค่าพยาบาทก็ไปเป็นนรงความทุกข์มันมีต่างกันสี่สี่แบบด้วยกันครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้สามทุ่มขึ้นกว่าแล้วครับอาจารย์ก็วันนี้มีเพื่อนๆร่วมฟังธรรมกันใน a ฟ e b o o k ทั้งหมดเจ็ดร้อยี่สิบสามคนนะครับใน y o u t u ู e หกร้อยแปสิบเอ็ดคนในครับเฮายสิบแปดคนวันนี้รวมฟังธรรมด้วยกันพันสี่้อยสาสิบสองคนนะครับอาจารย์ครับสาธุอรหนโมธนาครับทุกท่านที่ได้เข้ามาหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อเพื่อความเจริญข้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกนะ็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์นะครับขอลาไปครับกับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับ